คนเราทุกวันนี้ทุกกายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทุกใจมากกว่าความทุกข์เพราะหิวเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะปวดเพราะเมื่อยมันเดี๋ยวนี้ก็รบกวนผู้คนน้อยลงเพราะมีกินมีใช้มีสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ที่ทุกเป็นส่วนใหญ่คือทุกใจและทุกใจนี่ส่วนใหญ่ก็ทุกเพราะความคิดแน้ว่าการประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกอย่างที่เราเพิ่งสวดสาธยาย เช่นเจอกับคำตาหนิตีเตียนต่อว่าด่าทอแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปคิดถึงมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปอันดีก็ผ่านไปแล้วนะถ้าเราใจเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ไม่ทุกแต่ที่ทุกเพราะว่ายังคิดถึงมันความพัดพล่าจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ก็จริง แต่ถ้าเสียไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านเลยไปไม่ต้องคิดถึงมันมันก็ไม่ได้ทุกข์ใจเท่าไหร่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันปล่อยมันผ่านเลยไปไม่คิดถึงมันใจก็ไม่ทุกข์อย่าว่าแต่การสูญเสียเลยนะ แม้แต่การได้ถ้าได้ไม่มากอย่างที่คิดก็ทุกข์หรือว่าได้มาแล้วเห็นว่าคิดว่ามันน้อยไปคิดว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้นี่ก็ทุกข์หรือคิดว่าฉันไม่น่าจะได้เท่านี้นี่ก็ทุกข์นะเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดอันนี้เป็น ตัวการของความทุกข์ของผู้คนตุกวันนี้ซึ่งก็รวมถึงพวกเราด้วยอดีตผ่านไปแล้วนะไปหยิบไปช่วยมันมาเมื่อไหร่คุณคิดในใจก็ทุกข์หรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่คิดถึงมันนึกถึงงานการที่รออยู่นึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่าย นึกถึงความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเราแค่ น, นี้ก็ทุกข์ละทุกข์เพราะความกังวลทุกข์เพราะความวิตกให้ความคิดที่มันเล่นงานจิตใจเรามากมันบีบคั้นทําให้จิตใจเป็นทุกข์โดยไม่จําเป็นเลย ถ้ปล่อยให้ความคิดมันเล่นงานจิตใจคิดฟุ้งซ่านไปอย่างไม่มีทิศทางเนี่ยสุดท้ายมันก็วกกลับมาทําร้ายจิตใจของเราอย่างเราก็ตามเนี่ยที่บอกว่าทุกข์เพราะความคิดนี่มันยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะต้องทุกข์เพราะว่าที่ถูกต้องเรียกว่าทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดนะสมมติเราเผลอคิดถึงอดีตไป เสร็จแล้วเรารู้นะเรารู้เราเห็นเราก็วางมันลงมันก็ไม่ทุกข์ละแม้แต่ความหงุดหงิดนะความขุนเคืองใจซึ่งเกิดจากความคิดที่ปรุงแต่งถ้าเกิดว่าเราเห็นมันนะมันก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยใจจะไม่ทุกข์ เพราะความหงุดหงิดเพราะความโกรัวท่าเห็นมันไอ้ที่ทูกข์เพราะความคิดทุกเพราะอารมณ์เนี่ยเพราะว่าไม่เห็นมันไม่รู้ทันมันไม่เห็นว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดว่าทุกข์เพราะความคิดนี้จึงเรียกว่ายัางไม่ถูกทีเดียวนะถูกเพราะไม่เห็นมันมากกว่ามีความกลัวเกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นมันนะ มีความเหงาเกิดขึ้นและเห็นมันน ะ, ะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันเหมือนกับว่าถูกกันออกไปอยู่นอกบ้านแทนที่จะเข้ามาในบ้านแล้วก็มาก็ความวุ่นวายอารวาสเพียงแค่เห็นเนี่ยมันก็จะไปอยู่อีกซีกหนึ่งอีกฟากหนึ่งหรือเหมือนกับว่าเวลาเราโกรธเนี่ยต่ก่อนเนี่ย ก็ถูกขเพราะความโกรธเนื่องจากคิดถึงคนนูน้นคนนี้ที่กันแกล้งเราทรยศเราไม่ซื่อกับเราเนึกถึงเขาก็โกรธขึ้นมาเลยนั่งอยู่ตรงนี้ฟังธรรมอยู่แต่พอเพลอคิดถึงเขานี้จิตใจก็รุ่มร้อนเหมือนกับว่าอยู่ในกองไฟแต่ทันทีที่เรารู้มันเห็นมันนะรู้ทันเห็นมันด้วยสติ ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยหลุดออกจากกองไฟมายืนดูมันเวลายืนดูกองไฟเนี่ยมันไม่ร้อนเท่ากับไปอยู่กลางกองไฟอยู่กลางกองไฟอันนี้เรียกว่าเป็นนะแต่ถ้าออกมาดูมันอันนี้เรียกว่าเห็นหลวงพ่อคำเกติท่านสอนเน้นอยู่เสมอว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็น เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดที่นำความทุกข์มาให้ถ้าว่าเราเห็นมัน น, ะ, นะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ความโกรธความเบื่อความเสงี่ความหงุดหงิด ถ, ถ้าเราเห็นมันมันก็ทำอะไรไม่ได้ต่อไปนั่นจึงเรียกได้ว่าเนี่ย จริงๆพูดได้ถูกต้องแล้วเราไม่ได้ทุกขเพราะความคิดแต่เราทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดและจะเห็นได้ไงก็ต้องเห็นด้วยสตินะสติมันทำหน้าที่หลายอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้พูดว่าสติมันหมายถึงความระลึกได้ระลึกได้สติก็ยังช่วยทำให้เรารู้ทันด้วยและที่เรารู้ทันได้ก็เพราะว่าเราไม่เผลอเข้าไปในความคิดไม่เผลอเข้าไปในในอารมณ์ การที่เราลึกได้ว่ากําลังยืนอยู่กาลังเดินจงกลมอยู่กําลังนั่งอยู่เนี่ยมันดึงจิตออกมานะจากการจมในความคิดหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์ที่เคยไหลไปอดีตที่ลอยไปอนาคตพอระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้มันก็ดึงออกมาจากอดีตจากอนาคตเมื่อดึงออกมาก็เห็นนะเห็นมันแล้วก็เห็นมัน ดับไปเหนมันจางคลายไปอย่แล้วก็ตามเนี่ยไม้ไเนี่ยจะจะเห็นความคิดเนี่ยมันยากนะอย่าไปพยายามที่จะเห็นพอถ้าไปพยายามที่จะเห็นมันจะกลายเป็นเข้าไปจ้องเสร็จแล้วก็โดนความคิดมันดึงไปฉุดไปลากไปหลายคนบอกว่าทาไมดูความคิดแล้วทำไมมันยังฟุ้งอยู่ก็เพราะว่า เข้าไปในความคิดแล้วโดนความคิดหลอกไปแล้วความคิดนี่มันฉลาดนะมันเป็นอุบายเป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความปกติยิ่งเรามาปฏิบัติพยายามอยู่กับปัจจุบันมันก็พยายามดึงเราก็ไปสู่อดีตกับอนาคตแล้วเราก็พยายามดูมันพอดูบางทีลายโดนมันหลอกโดนมันล่อนะเสียผูดเสียคนทุกทีเหมือนกับคนที่เมาเหล้านะ ก็บอกว่าตอบนี้ฉันจะเลิกเหล้าแล้วแต่ฉันขอดูคนกินเหล้าได้ไหมนะฉันขอดูฉันขอนั่งกับเพื่อนก็แล้วกันนะเพื่อนกินเหล้าฉันไม่กินเหล้าฉันขอดูเพื่อนกินเหล้าเสร็จทุกไลายนะคนที่อยากจะเลิกเหล้านี่ต้องเรียงหารหลังให้มันเลยเนี่ยไปดูไม่ได้ดูเมื่อไหร่โดนมันหลอกทุกทีนะเพราะนั้นเนี่ยใหม่ๆเดยเพิ่งไปดูมันเดี๋ยวเพิ่งพยายามตั้งใจดูมัน ให้รู้ให้รู้กายก่อนให้รู้กายคือรู้ว่ารู้สึกว่ากายกําลังทําอะไรนะกำลังยกมือกําลังเดินนะรู้สึกถึงมือที่กําลังเคลื่อนตัวที่กําลังเดินไปเดินมาก็เรียกว่ารู้กายก่อนนะรู้กายเคลื่อนไหวก่อนส่วนเห็นใจคิดเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปไปสนใจมาก แม้ว่าจะเผลอคิดไปแล้วก็วรู้ว่าเผลอไปก็หันหลังให้มันเลยเดี๋ยวพึ่งไปไปทบทวนดู ว, ว่าเมื่อกี้คิดอะไรทําไมถึงคิดใครที่เผลอพยายามไปทบทวนหรือพยายามหาคําตอบใช้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรเนี่ยก็เสร็จมันทุกทีนะเราต้องหันหลังให้มันแล้วก็ให้มารู้รู้รับรู้ถึงกายที่เคลื่อนไหวซึ่งไม่ใช่มีแค่มือ ที่ยกไปมาไม่ใช่มีแค่เท้าที่เดินไปมามันยังมีลมหายใจมันยังมีตาที่กระพริบมีคือน้าลายแต่ให้กำหนดที่เป็นอย่างๆไปนะอย่าไปอย่าไปอยไปกำหนดพร้อมๆกันทุกอย่างกำหนดในที่นี้แปลว่าใส่ใจไม่ได้แปลว่าเพ่งนะให้รู้กายก่อนรู้กายที่เคลื่อนไหว ถ้าใจมาอยู่กับกายเนะี่ยมันจะรู้สึกได้เลยนะว่ามีกายมีมือที่กําลังเคลื่อนไหวมีเท้าที่กําลังเดินเป็นความรู้สึกรวมๆถ้าเห็นชัดๆนะอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้กายหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมแนละรู้กายนี่มันหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวคือรู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ว่าเอาไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเขอเนขยับก็รู้แต่ว่าส่วนใหม่ๆมันมจะรู้แต่แต่ส่วนที่มันขยับชัดเจนหรือขยับยากก่อนเช่นมือที่เคลื่อนไปมาเท้าที่เดินแต่มันจะไม่ใช่เห็นชัดนะถ้าเห็นชัดว่ามือกลาลังเคลื่อนเป็นสายนะเห็นรายละเอียดของเท้าที่กำลังยกจ้างเหยียบอันนี้แปลว่าเพ่งแล้วนะไม่ใช่นะพราะเวลาเราเพ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดๆเราจะไม่ได้รับรู้ ทั่วทวพร้อมๆเหมือนกับเราดูภาพนนะเวลาเราดูภาพโปสเตอร์ภาพในโทรทัศน์หรือภาพ ใ, ใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นรวมๆเราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้จ้องที่มุมใดมุมหนึ่งหรือแม้แต่ดูหน้าคนเวลาคุยกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูที่ปากที่ตาจอดจงที่ใดที่หนึ่งเรามองเราเห็นภาพรวมๆเห็นหน้าเขารวมๆ เพียงแค่เห็นหน้าเขารวมๆล้วก็รู้ว่าคนที่เราเห็นนั้นคือใครตรงข้ามถ้าเราไปจ้องที่ปากไปจ้องที่จมูกไปจ้องที่ตาเห็นเป็นจุดๆเนี่ยเราอาจจะรู้ไม่ช่ว่าคนนั้นเป็นใครเห็นรวมๆเห็นหน้ารวมๆเราก็รู้ว่าคนนั้นเป็นใครความรู้สึกรวมๆนะนะเวลาเจริญสติเวลาเคลื่อนไหวไปมา ในส่วนกายเนี่ยนะอันนั้นแหละนะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไปจ้องไปเพ่งจนเห็นมันชัดเลยนะเห็นมือเคลื่อนเป็นสายหรือว่าเห็นเท้าที่ยกย่างเหยียบลายเป็นลายเรียดนี่แสดงว่าเราไปจดจ่อไปเพ่งเสร็จแล้วทําไปนะก็จะเครียดสิ่งที่จะบอกเตือนว่าเราทําไม่ถูกเรากําลังเพ่งนั่นคือความเครียด ความเครื่อนี่เป็นเป็นจุดเป็นสัญญาณบอกเหตุตัวแรกๆเลยเครียดแล้วก็ถ้าหนักกว่านั้นก็คือหรือถ้าทําต่อไปก็จะอาจจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มที่ปวดหัวมึนหัวอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะใจเราเกรง่งใจเราเครียดและบ่อยครั้งเนี่ยนะก็จะกลั้น กลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวที่กลั้นหายใจก็เพราะว่าเราไปห้ามความคิดเราไปห้ามความคิดความคิดมันเกิดขึ้นก็นไปพยายามห้ามมันเพราะว่าไปเห็นว่ามันไม่ดีไปให้ค่ากับมันว่ามันทําให้ฟุง้งก็จะไปไปกดไปห้ามความคิดและเวลาห้ามความคิดเนี่ยสังเกตไหมว่าเราจะกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว ตอนที่ไปไปเบรกไปห้ามไปกดของความคิดเนี่ยความคิดมันจะหายปั๊บเลยอันนี้ก็เป็นตัวสังเกตอันนึ่งว่าเราเพ่งหรือเปล่าพอตลอดเพง่งเราห้ามความคิดนี่ความคิดเผลอคิดไปรู้ปับ๊บไปเบรกมันไปห้ามมันมันหายวับเลยมันก็ถูกตัดขาดไอตอนนั้นแหละที่จะเผลอมักจะเผลอกลั้นลมหายใจแล้วพอทําบ่อยๆก็จะรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวแน่นหน้า มันเมือนกับเวลาเราสนเข็มเราสังเกตว่าเราสนเข็มเนี่ยเรามักจะกลั้นหายใจไปด้วยเพราะตอนนั้นเราเพ่งมากเราเพ่งไปที่าตาอาเข็มมันพยายามที่จะสนสอดได้เข้าไปในช่องนั้นเนี่เรากลั้นลมหายใจเพ่งกับการกลั้นลมหายใจมันจะเกิดขึ้นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่ ปฏิบัติแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกนะหายใจไม่เต็มที่เนี่ยก็สนิษฐานเป็นเพราะเป็นเพราะไปกั้นลมหายใจและที่กั้นลมหายใจเพราะไปเพ่งและที่เพ่งเพราะอยากอยากให้จิตสงบอยากให้อยากไปรู้ทันมันนะให้ทําสบายๆนะอย่างที่พูดไปทําสบายๆแต่ว่าทำสบายๆก็ไม่ได้แปลว่าอ่า ทำไปหยุดไปนะทำทำหยุดหยุดนะทำทำหยุดหยุดนี่มันไม่ใช่แล้วทำสบายก็จริงสบายคือสบายที่สบายที่ใจใจไม่อยากใจวางความอยากลงใจไม่เพ่งแค่รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปทําอะไรกับความคิดนะรู้เฉยเฉยรู้ซื่อใจสบายสบายไม่คาดหวังไม่ไม่ไม่ถูกครอบงาด้วยความอยาก แต่ว่าทําอย่างต่อเนื่องนะทำอย่างที่หลวงพ่อเทว่าเนี่ยทำเร่อยๆแต่ทําจริงๆหรือพูดอีกให้มันอีแแบนก็คือว่าทําเต็มที่ตยาซีเรียดนะทำเต็มที่ตยาซีเรียดนะ ท, ท, ดนะที่ซีเรียตเพราะมันยากพ อ, อยากแล้วมันก็ซีเรียตขึ้นมาทันทีพลาดไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอแล้วก็โทษตัวเองโมโหตัวเองบางคน ความคิดฟุ้งซ่านมากห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดมีภาพบางรูปนี่เอาเท้ารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองเลยทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทำไมมันคิดมากอย่างงี้เราไม่ต้องถามนะเพราะมันเป็นธรรมดาของใจแต่ว่าเราอาจจะไปทําให้มันคิดมากได้ถ้าเราไปพยายามเพ่งมันพยายามไปกดข่มมันอะไรที่กดอะไรที่ถูกกดข่มมันจะสู้นะมันเป็นธรรมดา ลูกบอลเนี่ยถ้าเรากดมันลงน้าเนี่ยนะมันก็จมอยู่ในน้ำนแต่เราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็เด้งกลับนะความคิดถ้าเราไปกดขมมันไว้เนี่ยอาจจะขมได้ชั่วคราวพอเราวางพอเราปล่อยมันก็เด้งกลับมันก็ผุดมันก็โผล่ใหมแค่รู้ทันเฉยๆก็พอมีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะว่าอะไรที่เธอกดคมจะคงอยู่ อะไรที่เธอเพียงแต่ตะหนักรู้จะหายไปไม่ต้องกดข่มนะเพียงแค่ตะหนักรู้รู้เฉยๆนี่มันไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าไปกดข่มนี่มันเหนื่อยและสุดท้ายก็เลยเครียดไงการเครียดนี่มันก็เป็นสัญญาณเตือนนะว่าเราทำไม่ถูกเรากำลังซีเรียสไปแล้วปฏิบัติที่ถูกนี่ทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะทำสบายๆก็จริงแต่ทำไม่หยุดทาทั้งวัน ไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดอันนั้นไม่ถูกสบายคือสบายที่ใจนะแต่ว่าอากับกริยานี้ก็ทำอย่างต่อเนื่องการจรนญสตีมันเป็นการเอาสิ่งที่ดูเหมือนตรงข้ามกันมาประสานกลมเกลืนเป็นหนึ่งเดียวเนะช่นทำเต็มที่เนี่ยหลายคนก็มักจะทำด้วยความซีเรียสนะถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ทำเลยหรือาทาแบบจ่อๆใหญ่ๆแต่ว่า ทำเต็มที่จะไม่สีเ่เหลีอยนี้ทําได้หรือทําความเพียนเต็มที่ด้วยใจที่ปล่อยวางนี้ทําได้นะทำเล่นๆแต่ทําจริงๆอันนี้ทําได้นะด้วยการเจริญสตนะิแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะว่าก็มันต้องเริ่มต้นด้วยการไปรู้กายก่อนให้รู้ให้เห็นแต่กายที่เคลื่อนไหวเอาแค่นี้ก่อนจะไปพยายามไปทําอะไรมากกว่า น, นั้นเพราะว่ามันจะ มันจะกลายเป็นเพ่งแล้วก็จมเข้าไปในความคิดการจุลสตินี้มันอยู่ตรงกลางนะระหว่างเพ่งกับเผลอก่อนมาปฏิบัตินี่เรามักจะเผลอฟุง้งอันนั้นเป็นสุดตรงทางหนึ่งแต่พอมาปฏิบัติมันก็จะเวียเว่ยงสวิงไปอีกทางหนึ่งคือไปเพง่งในการที่จะอยู่ตรงกลางๆางเนี่ยยากทางสายกลางมันยากเสมอ ไอ้ทางสุดตรงสองทางเนี่ยง่ายเช่นไม่ไม่รักไม่ชอบก็ชังแต่ว่าที่เป็นอุเบขกขากลางๆเนี่ยทำยากแต่ทำได้การจลสติอย่างที่เรากลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการพยายามวางจิตอยู่เป็นกลางๆนะระหว่างเผลอกับเพ่ง เป็นการเจริญสติที่ไม่ไม่ไม่มีการบริกรรมนะไม่มีการเพ่งอะไรทั้งสิน้นคนที่ทำใหม่ๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเดินข้ามเดินข้ามท้องร่องนะท้องร่องเนี่ยตามสวนต่างๆมีท้องร่องเดินข้ามท้องร่องด้วยด้วยไม้แผ่นเดียวแถมเป็นไม้ไผ่ซะอีกเนะท้องร่องจะก่อนนี่ มันมีไม้ไผ่หนึ่งลำวางทอดอยู่แล้วก็มีมีราวให้จับนะพอเราเดินไปบนสะพานนั้นเรามีราวให้จับเราก็เดินได้สบายแต่ว่าท้องล่องไหลแห่งเนะี่ยมันไม่มีราวให้จับมันมีแต่มันมีแต่แตสะพานมีแต่ไม้ลำเดียวไม้ไผ่ลำเดียวคนที่เดินใหม่ๆเนี่ยไม่มีราวจับมันก็ เดินได้ประเดี๋ยวเดียวก็ตกเดินได้ประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกลงล่องไปก็เหมือนกับการภาวนาที่ไม่มีบริกรรมให้แค่รู้สึกนะแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกตัากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีบริกรรมพุโทโธไม่มีบริกรรมนับหนึ่งสองสามใหม่ใมันก็จะทําได้รู้สึกตัวประเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟุ้งแล้วนะจมเข้าไปในความคิดตกหายเข้าไปในอารมณ์แต่ถ้าเราทำํำบ่อยๆทำบ่อยนะ ก็เหมือนคนที่เดินข้ามท้องร่องเก่งเป็นประจําเนี่ยไม่มีราวเขาก็เดินข้ามได้สบายนะผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเพอเราไม่บริกรรมนะไม่เพ่งเนี่ยมันก็จะรู้ไปเดี๋ยวเด๋ยวแล้วก็ฟุ้งแล้วรู้ไปเดียเด๋ยวเดี๋ยก็ฟุ้งแล้วไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆนะใหม่ๆจะรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างนะไม่มีที่เกาะที่ยึดแต่ทาไปทําไปจิตมันก็จะปรับตัวได้ เราก็จะเข้าใจว่าไอ้รู้กายนี้เป็นอย่างไรนะแล้วพอเราพอเราพอเรารู้กายเนี่ยได้ได้ได้ต่อเนื่องสติก็จะไวพอที่จะรู้ใจแล้วคือเห็นความคิดรู้ทันความคิดนะเรียกว่ารู้กายเคล่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะเราเห็นแล้วก็วางไม่ต้องไปทําอะไรกับความคิดไม่ต้องไปกดขม่มไม่ต้องไปไปผักไสมันทำอย่างนั้นเหนื่อยแค่รู้ใจเฉยรู้ซื่อๆ แล้มันก็หายไปเองเหมือนกับขโมยที่มันแอบเข้าบ้านพอมันเจอเจ้าของบ้านมันถิมันมันถอยไปเองมันหนีไปเองเจ้าของบ้านไม่ต้องเอาปืนไล่ไม่ต้องเอาไม้ไล่ฟาดมันมันหลบมันอายไปเองความที่ฟุ้งซ่านความคิดหรืออารมณ์ต่างพอเราพอมีสติรู้ทันหรือว่าพอถูกต้องมองด้วยสติรู้ทันด้วยสติมันก็แผ่นไป แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ยอมแค่รู้เฉยๆจะเข้าไปทําโน่นทํานี่กับความคิดกับอารมณ์นะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลด้วยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนีให้เริ่มต้นที่รู้กายนะรู้สึกนะเวลากายมันเคลื่อนไหวในเวลาใจมันเผลอไปนะไอความรู้สึกที่กายนี่แหละมันจะไปเรียกจิตกลับมาเหมือนก็รู้กันนะ เราสังเกตได้เราคงคงประสบด้วยตัวเองนะเวลาใจเผลอคิดนึกไปประเดี๋ยวเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ามือกําลังเคลื่อนเท้ากาลังขยับไอ้ตัวนั้นแหละที่มันจะเรียกจิตกลับมาไอต้ตรงนั้นแหละที่ทําให้จิตมันรู้ตัวว่าเผลอไปแล้วนะความรู้สึกที่กายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเสียงเรียบให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันเหมือนกับเราเลี้ยงลูกหมานะลูกหมา ที่มันซนเราอยากจะให้มันอยู่บ้านแต่มันก็ชอบเที่ยวเล่นวิ่งออกไปนอกบ้านเราจะทำยังไงถึงจะให้ลูกหมานี่มันอยู่บ้านวิธีที่คนมักจะใช้กันคือว่าขังมันเอาไว้หรือล่ามันเอาไว้วิธีเช่นนี้ได้ผลก็จริงแต่ว่ามีผลเสียคือลูกหมามันก็จะดุง่ายนะมันจะดุง่ายมันจะอารมณ์เสียง่ายบล็อตไเลอร์เนี่ยที่มัน โหดร้ายมันกัดคนจนตายเนี่ยนะแถวหมู่บ้านจัดสรรต่างๆนี่ก็เพาะไปล่ามันเอาไว้ไปขังมันเอาไว้ธรรมชาติมันก็ดุอยู่แล้วยิ่งไปขังไปล่ามาันตั้งแต่เล็กมันก็ยิ่งโมโหยิ่งดุจิตเราก็เหมือนกันถนะ้าไปขังไปล่ามันเอาไว้มันก็จะมันก็จะพยศนะให้ลูกหมาเนี่ยเราถ้าเราไปขังไปล่ามันาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นหมาที่ดุ อีกทางนึงคือว่าให้มันเป็นอิสระนะหมายความว่ามันอาจจะวิ่งออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านหน้าที่ของเราคือเรียกมันเรียกมันให้กลับมาใหม่ๆนี่มันวิ่งไปไกลเรายังไม่รู้เลยนะกว่าเราจะรู้นี่มันก็ไปไกลแล้วเราก็เรียกมันเรียกหลายครั้งมันก็ยังไม่มา แต่พอเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆมันก็จะกลับมากลับมาเสร็จมก็ไปใหม่เราก็เรียกอีกมันก็กลับมาใหม่ๆเนี่ยต้องเรียกหลายครั้งเรียกนานกว่ามันจะกลับมาแต่ว่าพอเราทํำบ่อยๆทํำบ่อยๆเนีเรียกไม่กี่ครั้งก็กลับมาและก็สมมัญคือว่าพอมันออกปุ๊บเราต้องเรียกปรับเลยไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันไปไกลแล้วค่อยไปเรียกนี่มันมันมันไม่เคยรู้ อ, นนอเราเรียกไบ่อยเรียกบ่อย ๆ, ๆเนี่ยทีหลังนัมัน ม, มันรู้ตัวเองนะพอมันแค่ก้าวเท้าไปจากบ้านไม่กี่ก้าวมันก็รู้แล้วว่าที่ที่ของมันเนี่ยก็คือบ้านไม่ใช่ออกไปข้างนอกนะถึงตอนนั้นก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่อยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะไม่เหมือนกับการใช้วิธีล่ามานันเอาไว้ล่ามันเอาไว้นี่ เชื่อขาดเมื่อไหรหรือว่าปล่อยเผลอปล่อยมาเมื่อไหรมันก็วิ่งออกไปแล้วก็เรียกกลับมาได้ยากอาการจราสติเนี่ยนะเราก็ใช้วิธีว่าให้อิสระกับจิตเราก็บอกจิตนะว่าบอกใจนะว่าให้ให้รู้สึกนะให้อยู่กับกายนะแต่มันไม่อยู่่มันไปเราก็เรียกมันเรียกด้วยอะไรด้วยด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยดย้เรียกด้วยความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้าเดินไปมาเนี่ย อันนี้คือความรู้สึกที่ความรู้สึกของกายที่จะเรียกจิตมันกลับมาซึ่งแน่นอนใหม่ๆนี่มันกว่าจะกลับมาก็คิดไปแล้วสิบเรื่องแต่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะกลับมาเร็วขึ้นคิดเพลไปห้าเรื่องก็กลับมาแล้วต่อไปคิดเผลไปแค่เรื่องเดียวก็กลับมาแล้วต่อไปนี่คิดไม่จบเรื่องเลยมันก็กลับมาแล้วเพราะมันระลึกได้เพราะมันรู้ตัว การที่เรายกมือเนี่ยมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในเวลายกเวลาเดินอันนั้นแหละคือคล้ายๆกับเสียงที่จะเรียกใจที่เผลอให้ให้รู้สึกให้รู้ตัวแล้วกลับมาอย่าแล้วก็ตามนะมันก็ต้อ ง, ต, องต้องทําทำํำบ่อยๆนะทำบ่อยๆทาทั้งวันเลยแต่ไม่ใช่ด้วยการยกมือด้วยการสร้างจังหวะเท่านั้นเวลาเราอาบน้ําถูฟันเรากินข้าวนะเราเดิน ไปเข้ากุตตินะก็ถือว่าเป็นการเจริญสติไปด้วยนะการปฏิบัติมันมีสองรูปแบบมันมีสองอย่างคือปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัติโดยไม่อาศัยรูปแบบการปฏิบัติโดยอาศัยรูปแบบนี่เปรียบเหมือนการเติมน้ำลงในลงในถังลงในโอง่งถึงแม้ว่าจะเติมเต็มจนเกือบเต็มแต่ถ้าเกิดโอ่งเนี่ยหรือถังนี่มันรั่วนะมันก็ไม่เต็มสักที ก็เหมือนกับนักปฏิบัติที่เวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะในเวลาเนี่ยก็ทำทำได้ดีแต่พอพอหมดเวลากลับกุฏินะก็ปล่อยใจลอยตามสบายอันนี้ก็เปิดเหมือนกับว่าองค์ที่มันรั่วเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีในการปฏิบัตินอกรูปแบบที่ไม่อาศัยรูปแบบเนี่ยก็เหมือนกับการที่ อุดูรั่วไว้ไม่ให้มันรั่วเยอะนะนั้นบางคนเนี่ยถึงแม้ปฏิบัติในรูปแบบแต่สติไม่มากนะพอฟุง้งแต่ว่าเวลาไปทําน่นทนํานี่เวลาเลิกปฏิบัติในรูปแบบก็ใช้ชีวิตอย่างดําเนินอย่างมีสติก็เหมือนกับว่าสติมันก็รั่วไหลน้อยนะมันต้องทำทั้งสองอย่างนะเติมสติลงไปให้มาก แล้วก็อุดรูรั่วนะเพราะนั้นการปฏิบัติในรูปแบบก็จำเป็นและการพยายามมีสติกับการใช้ชีวิตประจำวันอาบนา้ำถูฟันล้างหน้ากวาดบ้านนะทำครัวซักเสือ้อก็มีสติมันก็จะลดการล่วนไหลของสติได้ก็ทำให้สตินะมันเต็มจิตเต็มใจเกิดจิตที่ตื่นรู้ รู้สึกตัวทั่วพร้อมร0อยเเจิตเต็มร้อยกับการทำสิ่งต่างๆเกิดความแช่มชื่นเบิกบานรู้สึกโปร่งเบาอันนี้มันทำได้นะอลัลชานี่ก็เพิ่เท่านี้อ๋อกราหะ